ซีดีธรรมบัญญายจุดฟังทีไรได้สุดเพีโดยพระบรมพุณาพร อ, อปริวโตวัดยานเวสกวนตมบุญบางประทึกอำเภอสามราษจังหวัดคนครผมเรื่องที่หนึ่งรายการขอคิดด้วยคนขอให้ช่วยค้นหาความสุขบัญญายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538 เป็นอนครับคือผมเองเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ว่าเวลาผมอยากจะกินอะไรที่อร่อยผมได้กินผมมีความสุขผมอยากจะดูอะไรสวยๆงามๆเวลาผมหาของสวยๆงามๆ น, านั้นมาดูเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสุขกับเเป็นเลยหน่อยถูกต้งเราเป็นความสุขอย่างหนึ่ ง, งท่านยอมรับเลยท่านเรียกชื่อความสุขประเภท น, นี้นว่ากามสุข หรือบีก็เยกวาสามิตสุรอสเกิดจากกมิตรเกิดจาการเจตวัตถุนั่นเองครับแน่่องความรู้ภาษาสมัครของผมตาูอหนึ่งกระกไ่เทาหนั้นองพันเม็ดที่ผมอยากเรื่อความสุขเรื่องความสุขที่เกิดจากการเซตวัตถุนี่พูดอีกจำนหนึ่งเขาเรียกว่าสารสุขที่เกิดจากการได้กันเอาคือว่าเราต้องอาศัยวัตถุภายนอกมันไม่ได้ดีในตัวของเราเฉะนั้นเราก็ต้องหามาเราก็องได้จนเอามานี่ทุกคนเลือกที่หวนกันต่างคมศาสก็ทํางได้จนเอาต้องได้ตนเอาก็ แย่งกันทีนี้ปัญหาไ่ไที่ว่าทุกคนคิดว่าต้องได้มากที่สุดสุดที่สุดแต่คนคิดอย่างนี้ก็ต้องแย่งกันแน่นแล้วก็เกิดโทษก็คือการเลียกั น, นเราวรบกันแล้วก็ผลไม่ใช่ดูแค่มุนแรเท่านั้นอันนี้เป็นผลเสียทงังมที่เนมองในงนี้คือปัญหาสังคมการเล่ยงเลียนกันสก็คือว่าเราจะเอาวัตถุมาเฉลยที่ไหนก็อเอ า, า, อามาจากทรัพยากรธรรมชาติถึงว่าดันโดยระบบนี้ปัญหาความสูญพันธุนี้ก็จะนำไปสู่การทำลายท ร, รัพยากรธรรมชาติการริโคมาก ท่านอาจารย์ท่านได้กล่าวมาก็เป็นความสมบูรณ์นะคะแต่ทีฉันขออนุญาตแถม น, นิดนึง่งคนตาบ้านนะคะที่จรกล่ามาจะรู้สึกว่าเป็นความสุดที่ได้อย่างไจของตัว <c oughs> และเราก็คิดว่าอันนี้แหละคือสุดทุกคนส่วนมากมันจะรู้สึกอย่างนี้แลวก็เลยไม่รู้สึกตัวว่ามันจะนำปัญหาอะไรตามมาเมืนอนายท่านอาจ า, านท่านได้กล่าวฉันป็นสิ่งที่น่าเสีายทีฉันตีเรียกว่าสุดอย่างนี้เป็นสุดร้อนที่จะกดไม่ก่อไก่เพราะว่าพอมาแล้วก็ยังางจะไดต่อไปแล้วก็เพิ่มในญ่ว่าหาเพิ่มขึ้นเพว่มขึ้ แลก็อยากจะน้่อกนิดนึงว่ามันเป็นสุดท้ายนะใครจะมาระวังไร้สุดที่เราจะหาจริงๆนั่นคือสุดเพาะใครใช่หรือเปล่าคับท่านบอกว่าสุย็ร้อนทไมถึงเรเทียบร้อนครับ ว, ว่าใ <c oughs> นขณะที่เรา้อย่างใจเนี่ย น, นะคะเราก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่นั้นพอเราได้มาเราก็อยากจะได้ต่อไปในขณะนั้นก็เกิดความวิตกกังวลเราจะไปหาเพิ่มได้อย่างไรแต่เมื่อเรามีไม่ถึงตอหรือ่าโอกาสารเราหาไม่ได้เราก็จะไม่ถือเลยในใจทำให้เกิดความวิตกกังวลและความรุนร้อนความอยากจะได้ฉะนั้นจีดเนนี้ท่านบอกว่าไม่ที่จี๊ดเย็น ผมอ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมผมมีความสุขีมกินดีอะผมรู้สึกันดีนั่นก็เป็นความสุขไม่ใช่ครับแล้วเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าในความสุขนั้นมีอะไรแฝงอยู่ ขึ่ก็มีรกลางที่ว่ากุกว่าเรามีอะไรไม่สบายหรือว่าเราหาทางออกไม่ไลายสิงเราไม่สามารถมีความสุขอะไรได้ตัวเองเราก็หาอะไรมากล่อมการที่หาอะไรมากล่อมบอกในตัวแล้วตัวเองนหมความสามารถนั้นได้ตัวเองนะฮไปให้มีความสุขเองไม่ได้ต้อเาคืนกล่อมนี่เครื่องกล่อมบางชนิดที่ไม่ค่อยมีพิษแต่เครื่องกล่อมบางชนิดมีพิษมากเช่นทุลามนซึ่งจะพิษทั้นหลายเนี่ยเป็นเครื่องกล่อมที่อันตรายทีนี้เครื่องกล่อมแม้จะไม่เดือรายที่เห็นชัดแต่ว่าอย่างน้อยทำให้เราสูญสิ เราไม่รู้ตัวไม่มีสติเนี่ยเราจะปล่อยตัวเองไปจกนกระทั่งว่าความเป็นอิสลเราเนี่ยมรีน้อยลงทุกทีเราขึ้นแบบวัตถุมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่ ง, นงในที่สุด้ีเภาพเลยเพราะว่าถ้าหากไม่มีวัตถุที่ต้องการจะเสพแล้วจะมีความร้อนร้อนระวนทุรนทุรายอยู่ไม่ได้ะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานท่านไม่ได้สอนว่าให้ต้องเลิกสิเหล่านี้นะแต่ว่าอย่างน้อยให้เรามีสติใน ต, ตอนแรกนี่ยอมรับความเป็นมนุษย์ส่วชนคือเรายังไม่มีทางได้ความสุขที่ท่านเรียกว่านี้กว่า น, นี้เราก็ต้องอ ถ้าเราไม่มีสิเราไม่พัฒนาแต่การที่ว่าทำให้ตัวนี้สามารถมีความสุขตัวนี้มากขนอีกอยานึ่งก็คือว่าเราต้องใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นถ้าเราใช้ให้เป็นเราอเอาสิ่งเหล่า น, นั้นมาเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเราเพราะว่าพ ร, รการที่เราหาความสุขจากดนตรีหรือจากพวกหนังสือหนังสอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งนึ่งที่เราจะได้ในเวลานั้นคือการพัฒนาใจิตใจคุณธรรม แล้วสติปัญญาคารู้อะไรต่างๆนี้เราถือกาสได้ด้วยเนั้นเราอาจจะใช้สิ่งเห่นี้เป็นสื่อในการพัฒนาชีวิตของเราและเราเดินทาถึงความสุขที่ัวนี้นั้นเดางว่าต่อไปเราจะข้ามขั้นไม่ต้องมาใมันีกได้ถ้าเรารู้จักใช้เคลิปตอนนี้มีคนอยากความสุขก็ดูฝรั่งเดินแบบอย่างน่อยอยู่บ้านมีเคองแอร์มีฟูกูพูอย่างดีนะครับผู้ใหญ่ก็บอกว่าฝรั่งก็มีความสุขเดือนนี้ท่านผู้กำกับความสุขอย่างหนึ่งคือความสุขที่เราต้องครอบความมีที่อะไรคือตัวมีความพอใจชอบอย่างนั หนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้นะคชีวิตของเราและก็ม่มแต่เฉพาะคนไทยทั่วไปหมดเนี่ยค่ะเรานำองชีวิตอยู่ด้วยการกบทูกทหรืป่าจะขอเสนอให้ทุกท่านได้ลองไลองค ก, กันดเรากลบความพุกขหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในใด้วยการกินด้วยการเทีย่ยวด้วยการซื้อด้วยการมารมแล้วก็ด้วยสารพัดนะครบแล้วก็พอเรากไปด้วครั้งแล้วแล้มันกกลับมาเกิดขึ้นอีกแล้วเราทานจปกลบอีกเพราะฉะนั้นสิน่งนี้มีเป็นจริงที่เราม่ได้แก้ปัญหาให้หมดอย่างจริงใจอยากจะขอให้ลองคิดอันนี้ ความรู้ดีมีอะไรอไรที่เจิในทางเทคโนโล ย, ยีนั่นหรือคือการอยู่ในกําังเพราะเราก็เรียกว่านั่นหรือคือกามเจริญแล้วทีเป็นความสุขอันนี้ขอฝากคาถามนะคะเรื่องังที่เราพูดว่ามีความสุขกับฝรั่งเนี่ยเป็นการพูดด้วยการมองฝรั่งเค่ยมุมเดียวเรียกว่ามองแบบสะบัลน ไม่ไ e องว่าในชีวิตที่ฝรั่งเขามีความเป็นอยู่อย่างนั้นเขาทำอะไรามาความดำเนินชีวิตอย่างไรความจริงที่ฝรั่งเขาได้อยู่ได้อย่างนั้นแหะอีกด้านหนึ่งของชีวิตเนี่ยวุ่นวายเร่งรัดอยู่ในระบบแข่งขันการหาทรัพย์สินเงินทองหาสมประโยชนชีวิตเขาเ ร, ออร่าร้อนสังคเยอะอีกด้านหนึ่งของฝรั่งาม่มเหาเหตุารที่จะได้สวยผลมันต้องทำเหตุตแ ล, แล้วก ด, ดูว่าเสร็จแล้วเราจะสวยผลเดี๋ยวเนีมที่สุดเราต้องทำเหตุแล้วเราก็จะต้องมีชีวิตแบบฝรั่งที่อีกด้านหนึ่งคือด้านการกระทต่างเช ไอ้่นีผมทำสมาธิมีความสุขเรผมก็นะาธิเรื่อยตนนนคนนนนความสุขครับอันนั้นก็อีกด้านหนึ่งเหมือนกันแต่คงจะเป็น focus อีกเพียง น, นหนึ่งเท่านั้นแหละคือท่านก็ให้แล้วพระพุทธเจ้าท่านเลยปฏิเสธความจริงแค่ด้านเดียวความสุขทางกายท่านบอกว่ามีเรื่องความสุขทางกายความสุขทางใจก็มีท่เรียกควาสุขทางใจแต่ถ้าให้ดีมันก็มีทั้งสองอย่างท่านน้นเป็นลุ่ีหรืความสุขครับกีก็คำสมาธิ่นยันถูกต้องนะครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ เกามิดมารความสุขแม้แววมต่ทําสุาจิก็เสติดเหมือนดถ้าอย่างนั้นสุแบบสมาธิเนี่ยก่ยเย็นเย็น่ไหรัไม่ได้ร้อนในรร้อ ไ, ไ่สุ ข, ขก่อเกย่แลว่าสุขเยนเย็นถาขนาดันก็ยังไม่ก่อเหตุเรื่องสุขก่อถ้าไม่เย็นคือใ น, ในความเย็นนั้นนะคะมันมีความอยากอยู่ด้วยะะ่ะคือนนที่นั่งสมาธิเนี่ยก็เย็นแต่ในขณะนั้นเนี่ยอยากจะ่งสมาธิด้วยความอยากคือปัญหานี่มันอยู่เ้องหลังเพราะฉะนั้นพอแม้แต่การทสมาธ ถ้งหมนั้นผมท่านเราคิดถึงเรื่องสุขทางจิตมีหลายคนบอกว่าคนเมาไม่รำคก็มีความสุขทางจิตคนบ้าไม่รำคาญเพราะว่าไม่ารู้อะไรก็มีความสุท า, า, า, าองจิต เ, เนี่ย น, นีนความจริงครับก็เป็นาสแบบเป็นลท่านเรียกว่าความหลง ความหลงนี่ไม่ดีแน่ ม, นมันไม่สบมันไม่หลงไม่รงมันไม่เป็นประเด็ น, นควา ม, มรู้คใจสิสงสุขพิทะนั้นมันจะต้องมีพร้อมด้วยิสภาพและความสว่างความเบิบานเพราะนั้นความสุขหลบิลจะเป็นกล่อมกัาตาหรือเป็นความไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ที่อะไรทั้งนั้นเนี่ยมันมีความหลงแท่ตลอดเวลาแลก็แม้แต่ไปทาสมาธิอย่างที่ว่าตในสมาธิจิกดิ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึง่งนจะหลงติดแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความิดพลานอันนี้ธรรมธาตุท่านตื่นนะแต่บอกสมาธิมีข้อดีอย่างน ทา่านเรียกว่าปรบปีนซีให้สม่เสมอนะแต่ว่าจมาที่มันมากไปแล้วจะต้าตัววิยความพิดมาช่วยมาแก้มรับแล้วจะเกิดความผอนีขึ้นอันนี้ออมาว่ามีคาสอนของพระพุทธเจ้าแห่งหนง่เกี่ยวกับเรื่องความสุขนั่นหมดซึ่งน่าจะเอามาใชยกันแหละโครงตัดไว้อย่างนี้บอกว่าการปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกอย่างนึงไม่เอาทุกทับผมตนที่มันหนีทุกสองไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำสา ม, มใม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ติดจงและก็ข้อที่สี่นี่เป็นธรรมบฏิบัติทั่วไปก็คือว่าปฏิบ มีคนก็เชื่อว่ะทุกคด้ยิจัยทุกไดยินพิจเพราะฉะนั้นเวลาบางคนทำอะไรผิดที่ไม่คาดคิดเขาตายแลทำบุญให้เขาสายฝนน้ำบริสุทธิสุทให้เขาใจเราสบายเราก็เลไม่ทิ่งแม้เราได้ทำผิดมาแล้วในอดีตตั้งต้นจจุบันไปก้วแล้วกันไปอันว่าแรงบันดาลใจสบายก็มีความสุขท่านคุณอาจารย์จะเขาไม่รู้ตัวเรากมันมีอรแฝงอยเพราะว่าความหลงกล่อมตัวเองด้วยการขจอย่างนั้นนะเอาความเชื่อนีอเราได้ทบุญให้เขาแล้วนะเราใจเราก็เอาความเชื่อนี้มากล่อมใจไว้ ให้ความกมนันม่นก็มีไอตัวที่ฝังอยู่วตัวได้ทำความผิดอันนี้มันไม่ได้หายไปไหนนั้นเราไม่แก้ที่สาเหตุเพรา ะ, <ล>ะนั่นทใจได้จริงมครับทำใจได้มันก็กลายเป็นว่าจิตของเขาเนี่ยมันถูนเสียความละเอียดของตัอย่างไปการที่จะมองอะไรให้ละเอียดนี่มันถู ก, กตัวนี้มากล่อมไว้รขัดไว้ขวางไว้เป็นความเชื่อที่มาไว้คล้ายๆในแน่เหมือนกันมลอกตัวเองมาดุแล้วช่วยตัวเองสบายไปหมือนกันแต่ว่าเพราะดังนั้นความละเอียดของสติปัญญาจะลดลงไปลดในตัวให้นั้นผมแค่อยากจะรู้เลยครับสุขทางกายสุขที่ามประสาททั้ และเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษยมันก็พัฒนาไปหมดแหละมื่อพัฒนาคนทั้งคนความสุขนี้ก็จะพัฒนาขึ้นด้วยความสุขพัฒนาขึ้นไปก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของด้านจิตใจ เราพัฒนานเราก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้งส่วนท่านแยกไไง่ายเลยด้านพฤติกรรมด้านจิตใจญญาอันนี้เราเห็นว่าเวลาเราพูดถึงความสุขเราก็มาพูดด้านกาบ้างนะเช่นเสพวัตนะุเรากระมุนนด้านพฤติกรรมในการแว้หาได้สิ่งนั้นมาสอก็เรื่อง จ, จิตใจว่ามีความสุขในสมาธิเป็นตน้นแต่เราจะมองข้ามองประกอบด้านหนึ่งคือปัญญาปัญญาที่สว่างที่มีความรู้เข้าใจจริงทงหยรู้เท่าทันหมนอนนาจารย์ที่เราปฏิบัติเราาไปเกี่ยวข้องแม้ความสุขที่เราเสพเราเสพอย่างมรู้เท่าทานนันนี่ ถ้าพอใจก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราพอใจกับการเสด็จวัตถุเราได้วัตถุมาเราเสด็เราก็พอใจเนี่ยกเป็นความสุขคนที่ปฏิบัติทางจิตเ ก, ก็พอใจอย่างนั้นแต่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดความพอใจความพอใจคือการได้สนองความต้องการใช่ไหม พรงว่านาความสุขนี้เกิดจากการไองความต้องการการเศษวัตถุเราไมองความต้องการนั้นเรา็ความสุขเราเจอีความ้องการอย่างอื่นเราได้ทาตามนั้นเราก็มีความสุขกามาจะยุตัวอย่างเลยคือเมื่อกี้นี้เราการเศษวัตถุเราได้วัตถุมาเราก็มีความสุขตอนนี้เราอาจมากระตุ้นได้ว่าเป็นความสุขเกิดารได้กันเขาสหรับคนเหล่านี้นันการสูญเสียวัตถุนั้นเป็ความทุกข์เพราะมาตรงขทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความต้องการของคนนิสิตได้พัฒนาพรานั้เราใช้มาความเพิ่มปริมาณนะพัฒนาเรื่ ธรรมดาเนี่ยคเป็นพ่อเป็นแม่พอเป็นพ่อเป็นแม่เนี้มันจะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือความต้องการต่อลูกต้องการให้ลูกดีต้องการให้ลูกเป็นสุข แต่อนนี้จะไม่มีหายากพเป็นพ่อเป็นแม่เเห็นเลยต้อ ง, ง อ, องการให้ลูกมีความสุขพต้องการให้ลูกมีความสุขก็สนองความต้องการนั้นในการ่จะทอะไรน่งให้ลูกมีความสุขโดยมากแล้วคนต้องการวัตถุก่อนเด็กก็ต้องการวัตถุเมื่อด้ต้องการวัตถุแล้วเขาจะมีความสุขเราก็ให้เขาเ <ถ |notimestamps|> <ถ>พราเราให้พ่อแม่ให้กับลูกก็ทาให้ลูกมีความสุขลูกมีความสุขนั่นคืความต้องการของพ่อแม่พราลูกมีความสุขพ่อแม่ก็เลยปอยสุดด้วยเพราะได้สนองความต้องการอะไรคือการสนองความต้องการตัวปัจจัยที่สนองความต้องการคือการให้เพราะ บอกว่าความสุขเนี่ยมันต้องสำคัระหว่างกความยากเลยหอนกะแสความจริงตามธรรมชาติเรอนี่คอทานสุดท้ายสหรับมนุษย์ที่ <S <s <os> <S แสวงหาความสุขแบบสนองความอยากเช่นการเสรีปุเขาต้องได้นเอานี่เขาจะไปเจอข้สุดท้ายก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกสิ่งทุกิงเนี่ยนะตกอยู่ใต้อนาจธรรมชาติต้องไปตามธรรมชาติโคตรในความเปไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละที่ว่าการเสรีปุที่เขาไดสุขเขาจะเจอปัญหาึเกิดุกขึ้นเพราะเจ้ากระแสความต้องการความอยากี่เนี่ยมันเกิดไปขัดกับกระแสกฎธรรมชาติเขาเอา วัตถุสิ่งหนึ่งที่เราต้องกา ร, น, น, ร<อ>นี่นะ้เเราได้มจัจะมีความสุขเราต้องการเจ้าสิ่งนั้นก็ดูในความปรารถนาของเราว่าเออให้มันเป็นงั้นเป็นอย่างนี้นะอันนี้เกิดเป็นกระแสขึ้นมาเรียกว่ากระแสความอยากกระแสความอยากของเราพราวาแนั้นวัตถุอันเดียวกันนั้นแหละมันมีความเป็นไฟเพรามันเองอยู่และตามธรรมชาติใช่ไหมาางไงความเป็นไฟนั้นคือลายความเป็นไฟตามกธรรมชาติแล้วง่ายๆความเป็นไฟตามเหตุปัจจัยก่อนนี้ความเป็นไฟเกิดขึ้นจากอยู่ดับไฟอะไรเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นมีความเป็นไฟตามกฎธรรมชาติมันก็เป็นอีก เดสองร ส, สอรถส็ถือว่าสองเนี้มันไม่ไปทาอยู่กันไทางกังอทางเียก็ดีแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่จะไม่ไปทางเดีกันไม่ไปทางเดียวกันมันก็เกิดความผัดแย้งกันสองกระแสนี้ปะทะกันก็จะต้องถามว่าและกระแสไหนชนะ กระแสวเป็นไปตจมเหกระแสความยางรับนั้นในความอยากขอเราว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าในความจริงมันเป็นปกระแสไหนกระแสที่ชนะแน่นอนคือกระแสลธรรมชาติกระแสความเป็นไปตารั่สิ่งนั้นเป็นไปตามเตุเหตุกจรณมันก็สูญความรานของเรากระแสเหตุกโลธรรมชาติเรียนในไงว่ากระแสธรรมก็ปะทะเท่ากับกระแสความยาของคนซึ่งเรียนในไงว่ากระแสของคนเมื่อกระแสของธรรมและกระแสของคนปะทกันกระแสธรรมชนะคนตัถูกหมีพัก็เลยเกิดความทุกข์ขึกเลยทันทีแหละครับเขากิดความทุกข์ขึ้นตอนนี้ก็ถือ กรความยาของคนเนี่ยผมยังยงไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ครับแ้าตามความเข้าใจขอ ง, จงที่ทนี่ที่คิดง่ายๆนะคะกระแสความอยากของคนก็คือกระแสตามใจเด็ดรอบกระโดงแล้วก็ตั้หาความอยากล้วก็ไปทำความที่มันมีอยู่ถ้ากราะแสทางธรรมนั่นก็คือกระแสที่เรา้เรียนรู้อาจจะได้ฝึกบร ม, มาบ้างในเรื่องของความเที่ยง ค, ความเป็นแบบควาที่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่สามารถจะบังคับใจของตนให้ทำตามกระสธรรได้ก็เลยเกิดามคลุ้นขึ้นไม่ใช่ว่าถูกบังคัด้ไหมค่ะคุณ้อันนั้นก็เป็นขั้นหนึ่งแต่ขั้นที่จริงแท้ก็คือว่าจริงทั้ สิ่งนั้นเน่เราก็เช่นว่าเราอยากให้มันอยู่กับเตลอดไปิจิตอลมันจะไม่อยู่นั่นแหละนี่แี่าอยู่ในงแแสของเราคือกระแสความอยากว่าขอให้สิ่งนี้อยู่กัตลอดไปทีนี้กระแสของธรรมหรือกระแสกฎธรรมชาตินไปตามเหตุป like ัจจัยก็ือว่ามันไม่เที่ยงมันก็แตกหนัดมันสลายขอนั้นก็เกิดการสินุลงไปนะคับพรากการพลากร์กเกิดขึ้นมือนกับกระแสเหตุปัจจัยกระแสกฎธรรมชาติชนะเพราะนั่นคืความจริงกระแสของเราคือกระแสความอยากว่าถูกฝืนถูกขัดเราก็ถูกขัดอยู่ถ้าเรายังก็สอดคล้องกับศุขท การปฏิบัติต่อสุขแม้แต่การเสร็รสัุนปฏิบัติถูกต้องมันก็ไม่เกิดผิดต่อเราครับแมนะ้แต่ว่าเรามีความสุขที่เป็นอิสระนี้เป็นฐานรองรับอยู่มันจะเป็นตัวเือหรือเป็นตัวที่ช่วยให้การหาความสุขระดูนี้พลอยพนดีขึ้นนหลวงนแต่คุณ้งเนร่ผมฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเขบอกว่าไปไม่ถึงแน่นะครับโชยินดีฉลาอย่างนั้นเนี่ยเขาบว่าผมยังยังเป็นบัวใต้น้อยั่นะครับสังมาเป็นเรื่องของของคนเจ้าหรือคนที่อยากอย่างนี้ทุกจรงจริเยรเขาบอกอย่างนีง้ครับเพียง่ในไทยเพระ แต่ถ้าหาว่าเขาไม่เท่าจ so ิงเขาไม่ท่าทันนี่เขาวางใจไม่ถูกจรงรงนั้นเขาชอบเขาเกิดมันแตกดับสไลดไปเนี่ยเขาวางใจไม่ทันใช่ไหมนี่คือกระแสกดธรรมทานช่ไหมกระแสความยังเขาถูกดีถกเาถทันคนี้เราต้อมีความรู้ทันปั๊บนี่พอความรู้ทันปั๊บเอาามรเ่องกดธรรมชาติแบในธรรมดาเขมันเป็นไปตามแผนกเขาก็ยังเขาก็ทให้พ้นจากความทุกข์นั้นไปได้เหมือนกันไม่นั่นก็ถูกน้อยลงแ่ถ้าไม่ทานน้นเราทุกคนแต่ว่ายิ่งพัฒนาไปเราก็ยิ่งเห็นโอกาสที่จะท เให้ลูกมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คือความสุขความปอบใจของพ่อแม่นนคืออาจยใจกับความปลอบใจนะคะราฉะนั้นกด้วยการให้แก่ลูกถ้าที่สามารถจะให้ได้และในส่วนมากที่พ่อแม่ให้ก็คือการให้ปถุตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดความปลอใจแก่ลูกแลพ่อแม่มีความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ที่เห็นลูกมีความสุขก็ได้แ่งใจอยากเจะกาเรียนถามนาอาจารย์ว่าการที่ให้ในลักษณะนั้นคือเรียนการที่เอาแต่ใจของพ่อแม่ไปเป็นการให้ในลักษณะนั้นที่ให้แก่ลูกตัวอย่างเช่นนั้นอันนั้ อยู่ที่เครือข่าช่วยเหลือกงะคนเราสามารถหาความสุขากันนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจบเท่านี้เพราะว่ามันก็ยังต้องพึ่งพามันทำาเใส่ที่ว่าออทให้เขามีความสุขแล้วเาก็มีความสุขด้วยแต่อย่างน้อยมันมี็นความสุขแบบ่เราใส่กันและเอื้อต่อกันประสานกันไม่ใช่ความสุขารยั่งยืนกันได้กันเอาเราะนั่นหมายความว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียคนหนึ่งนทุกแต่ตอนนี้เราสุขกับสกันแหละแล้มันก็ช่วยทางต้นทุด้วยทให้คนนี่ช่วยเหลือให้กันถ้าหากว่าเราพั ฐารรดค่เกาจะต้องปฏิบัติให้ผูกคสน่รโดยใช้ปัญญาบัคบคุมในขั้นสุดท้ายเพราะว่าการให้อาจะทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตัวเองกได้เพราะว่าใสงมักต้องการน่ายตัวเองเลยไม่พัฒนาตัวเองแม้การเลี้ยงลูกโดยวิธีที่มีแต่ตาแม้แต่ด้วยกรุณาอามาก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าึงให้ปฏิบัติธรมแบบเป็นุติยภมองค์รวมถ้าไม่มีดุลยภาพในการปฏิบัติต่อลูกแล้วชีวิตของลูกก็จะเสียได้เหมือน ชาวบ้านฟังอย่างนี้นะครับมยัง ไ, ไม่ถึงแน่ไม่ว่าจะาาติกหรือว่าจะเป็ น, นยารยนครับก็สุตพื้นฐานผมยังหาอะไรใส่าจยอยากจะได้ตามที่หูเสี้ยงรู่าจิหาองเก็เลยทำให้ผมิ้ถามขึ้นมาว่าพระเจ้าเรียได้อย่างยรผว่าต้องซีนหาน้านีนหถ้วยตงไหนครับ่ความสูงแบบพื้นฐานตนั้นครับช่วยหเพราะว่าถ้าเราไม่ยอัฒนาไปหาความสุงนขึ้นมันก็จะต้องเกิดพิษที่ว่าในทางต้องคงเดือดเดือดกันอะไรต่าที่ว่าแล้วก็ธรรมทานเป็นร้อนก็ทำลาย แต่ว่าท่านก็เลยว่าเพื่อจะช่วยให้พออยู่ได้ท่านก็เลยให้สีหาหมาเป็นกรอบสหรับมนุษย์อยู่บนสังคมจไดไม่สียหาความสุขจะว่าถูนี่จะนุท่านเบียดเบียนกันก่ความเดือดร้อนจนสังคมอยู่ไม่ได้ไม่ว่ามาเอาแล้วคุณจะหาความสุขถ้าว่าถุก็หาไปเถอะแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้มีกรอบอยู่แค่สีทแล้วคุณไม่ละเมิดต่อไปแค่กรอบกันแค่นี้สังคมพออยู่ได้แต่คุณต้อจะมีความสุขอยู่ในระดับนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าคุณยังไม่สุขจริงโดยสมบูรณ์เพราะว่าปัญหาทางสังคมไม่หมดปัญหาทางสง คือสิ้าเรามีไว้ํากับเป็นหรอก ไ, ไม่ให้เดือดร้อนม่กระทบคนอื่นให้การหาความสุขจากอามิตรมัทธุหรือที่ท่าีว่าการสุเนี่ยให้มนุษย์หมู่มนุษย์ที่อยู่การสุเนี่ยพออยู่กันได้<ต> ใ, ให้แม้นคนที่ ส, สีมากขึ้นเนีย<น>ก็นิงทให้ํากับไอ้ความสุขททนั้นมากขึ้นใช่ครับ้าเป็นแอนั้นจะเป็นวิีพัฒนามนุษย์อันที่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการหาความสุขจากัุอมิตรเนี่ย ถ้าเรายิ่หาาการไ ม, มทีที่สุส า, าวัตวอย่างนั้นเราก็จะขึ้นัววถมากขึ้นต้องหามากขึ้นดสุดมากขึ้นสิ่งนั้นในปริมาณเท่าเดิมที่เคยทำไม่มีความสุขตอมาไม่มีความสุขแ้ตายทุกนะ ค, ค, คนที่เคยได้แต่ตอนไม่มีเงินเลยัก็ได้เดือนรับสองาันนี่บอกแม้ถ้าานได้แค่นั้นแมน้ท่านจะมีความสุขสุขที่สุดนะตอมาเขาก็ได้จริงๆได้0องพันโกดองได้ก็ได้ตอนแรกเขามีความสุขจริงตอมาเขาก็แย่งหาได้เก่งขึ้นเขาได้เดือนละหมื่นถ้าเดือนไหนเก ถ้าเราปล่อยชีวิตอย่างนี้ไม่มีสติชีวิตของเราจะขึ้นต่อ ว, วัตถุมากขึ้นทุกทีม่อขึ้นต่อ ว, วัตถุมากขึ้นความสไม่มีในตัวเองเราสูญเสียอิสรภาพเราจะมีวัตถุอย่างนี้ต้องอยู่ที่นี่เรามีวัต ถ, ถุทำเราเราสูงถ้าเกิดจะต้องไปไหนหรือขาดวัตถุนั้นเพิ่มาเราถูดทลายไม่มีความสุขที่นี้ท่านก็เลยบอกว่าเพื่อให้คุณเนี่ยรักษาอิสรภาพไว้ได้บ้างนะแม่ไยังเสจวัตถุอยู่ก็บอกว่าเานะสักแวันครั้งนึงมันถือสีอุบสก็เพิ่มข เรื่องที่นอนก็เออแบบบางีนอนืนนอนเือนะไม่ต้องหาความสุขการนอนพูดนอนทีู่หลองดูสิว่าเราจะนสามารถอยู่ดีมีสุขได้ไ้มโดยการเดือดอย่างนี้ถ้าเราเป็นดีได้เราก็ไม่ต้องขึ้น่อว่าถูกมากขึนไปานสุดใช่มเป็นการสุดที่หนึ่งสินนี่ก็เป็นเรื่องสุดอยู่ในตัวใ้งนภาคที่ถือ220จุนะครับเนบก็เป็นารสุดที่มากขึ้นหรือว่าจพูดยังครับว่าผู้ที่ถือสินมาจะมีความสุขมากขึ้นไมรนบอกพูดอย่าได้ครับเป็นวิธีสุดถ้าหากว่าผู้ที่สุดตัวเองนั้ การฝึกมนุษย์ในความหมายของการึกาน่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของคนดังนั้นวิธีของท่านนี่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการดเนินชีวิตที่เอื้อต่อการพัฒนาจุดหมายถ้าเดเนินตามวิธีาสิงที่ท่านแล้วการที่จะพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าามาอยากจะพูดถึงเรื่องสีอีกนิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นวิธีที่ให้เราเนี่ยรักษาอสาของเราไว้ได้ที่มันจะทาให้เราเนี่ยมีความขึ้นต่อวัตถุน้อยลงแต่ก่อนนี้เราจะมีสภาพที่ว่าต ถ้ามันมีสิ่งนั้นอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกทรกนะต้องมีอย่างเดียวต้องมีจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้ารัสาาไปได้จะสเดือนไว้ถึงแม้ไม่รักษาสทธนะก็จะา น, นีเป็นวิธีสุดคือเราทให้ได้อย่างนั้นให้ได้เจตนาลสิเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นสุดเ็ตเองโดยอาศัยวั <S S S ตถุน้อยลงเราจะมาถึงขั้นที่บอกว่าออมีก็ดีไม่มีก็ดีใช่ไหมวัตถุ่านั้นถ้ามีก็ดีเราใช้ส่วนใหญก็มีความสุขแต่ถ้าไ ม, ม มีก็ได้ไม่มีคดีนะบาคนเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องนงเพราะมีมันกลายเป็นรถลุมลางละทิเราแรงพลุล่มลงรุ่ากเวล า, ลล า, ม, า, ลามันมีสิานั้นรู้สึกมันปรับตรงแต่เราไปเป็นสินห์ากเกี่ยว ก, กั น, กนมันจะหนักไปหน่อยครัรมาว่าเนี่ยอันนี้เรื่องของจิตใจคนนี่มันก็มี ก, การปรับได้คืจิงๆอกว่ามันอยู่ที่การพัฒนาคนเร่องหนงครับเราจะมีอะไรตรงนี้ครับากาเรียนทามาารในการที่อาจารย์ถามถึงเรื่องของสินหามาินหาี่เป็นกรอบเพื่อให้เราได้สามารถดเนินิย์านตุ้งต้นงระมาณ มาเป็นกรรชีวิตนี่จะนำความสดมาโซ่ชีวิตได้จริงเราก็ต้องมองว่าสินีนในความหมายึ ง, ปง เ, เป็นเครื่องฝึกเราเป็นเครื่องฝึกเพื่อเราก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่ข้อห้ามสินี่ในทาง ส, สนานี่แท้จริงแล้วไม่ใช่ข้อห้มามเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ ทรเป็นเพียงผู้คนพบความจริงคือพระ พ, พุทธเจ้าตัสอนว่าความจริงอยู่แล้วตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าคือผู้มาค้านพบความจริงแล้วามาัเปิดเผยให้ทราบทีนี้การการะทของนนี้ก็เป็นไปนตามกฎแห่งเหตุหต mm hmm. และผลตาม บ, บาทธรรมชาติเเหตุร้มันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นมาทาเหตุดีผลก็ดีนั่นคือการที่เขาได้รับผลจากการการะทของตนพระพุทธเจ้าก็มาแสดงเหว่าเออคุณนะทอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้เกิดผลไม่ดีคจะเว้นแต่คุณจะทาสิ่งนั่นเป็นเหตุที่ดีเป็นการกระทำที่เป็นเหตุนำไปสู่ผลที่ดีเร ช่วนั้นก็เลยมาเรียกว่าสมัชาสทธเพราะฉะนั้นในข้อสิทธิแทเนี่ยเราจะมีคำาอนาติปาตาเวล้อมันมีสิกขาปรทางสมัมสมยามิรวาข้าพเจ้าขอรับขอรับเอาสิกขารทงซึ่งข้อฝึกนะสิกขาบทหรือข้อฝึกข้อนาติปาตาเวลมันมีในการงดเว้นจากการทำลายชีวิตครับนี่ก็คือฝึกเราฝึกนะว่าเราเนด้วยก็ดีแล้วนี้เรายังไม่เคยเพราะเราเคยความโมกติเองที่จะเกิดโธสัตย์ที่จะไปฆ่าสัตว์เล่นอะไรต่างๆเหล่านี้เราฝึกนะเราก็เลยเอามาสิทธิ์มารับเพราะฉะนั้นการท กเป็นห้ามพสัใช่เธอห้ามทนิดนะถ้าเธอคือทำนะฉันจะลงโทษเธอจะหาว่าเธอต้องการผมอย่างนี้นจะให้รางวัลนเธอต้องทอันนี้นจะสั่งอันนี้จะเจ้านี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักศาสนาที่เราพูดปฏสธเป็นข้อห้ามอันนี้เป็นการพูดเปเื่อเข้าใจง่ายๆรว่าโดยสารสคัญแล้วมันไปถึงตัวความสิงธรรมชาติที่มันในบุญครับมีคนบอกว่าสุดเนี่ยคือทุกน้อยบางคนพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วเราอกว่าน้วยศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที้ เราลอไปดูเลยนั่นก็คือสิ่งที่ในรันูญดบอกว่าให้รู้จักอากรผู้วแลก็หาเนทางบทกความผิดนั้นเสียเราก็นนั้นแหละจถึงเ่งความสุขที่แท้จริงนี่คือมีผลต่อผู้ต่อโดยทุกทุกที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยดูจะเปนยูนิตของนิยามทางภาษสั้นๆมิดนึงครับเหมือนกันทุกเหมือนกันแต่ทุของคนเนี่ยดูแตกไม่เหมือนกันตามลมตามเผ่าพันตามวัยสุขใจไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นความจริงมากกว่าแค่นี้ครับทุกเหมือนกันนี่เป็นธรม ของเรานั้นมันมีความผุนใบเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยที่นี่เรางวงมองข้ามแล้วก็ปล่อยมันไว้แต่้นมันไว้แต่ต้นมันไว้จนกระทั่มันเกิดเป็นความเครียดเขาเรี้ดมากๆครมก็เป็นเป็นว่ตถุนิสัยก็ขาดและวัตุการณ์ขาในหลายๆาราแล้วฉะนั้นอันนี้ค่ะเราจึงควรายเรื่องของาทุกราจะจาลักษณะอาการของความทุกข์ที่มาทั้งหมดจากในทุกอ่างแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเมื่ใดที่ยวก้อนทุกอาการของความทุกข์นี้มันก็ค่อยๆหายไปเมื่อนานสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ที่แท้จริงมันก็ วกถึงสุดมันก็ไม่ต่างกันถ้ามัความสุที่ได้สตามกิเลสเช่นนั้นเองครับมีความครับอันนี้มันก็อยู่ี่ความต้องการอะไรเมื่อความต้องการมันแตกไปความสมก็เลยถอยตามไปด้วยก็คือหมายความว่ามันเกิดจากแหล่งหรือว่าสายติดตาม่มครับทีนี้ความสุขก็พัฒนาได้อย่างที่มีหลายละระดับในบริษั่วนใหท่านติดแบงคว่าที่แบงค์ทุกถึงสิงขั้นเราจะไปท้อว่าเออเราจะไม่ได้เราจะความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่ถึงะเราจะอยู่ได้แค่สุดเดียวนี้ มันี่ อ, อะไรในการเรียนาเงินากระวังให้ดีทอย่างนีง้เป็นต้น <C ute> คือท่านให้ไม่ได้หักแต่า้อกันก็บอกว่าคุณนะคุณสามารถมีความสมากกวนี้เราก็พัฒนาตัวเพื่ไปิต่ทแบบี่ว่าเมื่อกี้เมื่อคุณมีจิตใจพัฒนาขึ้นมาเรื่องนีความต้องการให้คนอื่นมีความสุขคือรั ก, รกมนุษย์แหะแค่พ่อแม่รักลูกาเราพัฒนาระทำสิ่งพ่อแม่นี้ให้มีต่อคนมนุษย์อันนี้อย่างพี่น้องรักกันเพื่อนรักเพื่อนเราก็สามารถมีความสุขจัดการให้กับเพื่อนนี่ต้องหมายความว่าเรวมี ความสุขจากการสนองความต้องการงต่ำไปนะเรายังสามารถพัฒนาความสุขโดยมีความสุขนี้ไม่ต้องสนองความต้องการคือการที่เราสร้างความสุขขึ้นในใจของเราไเองอันนี้จะมาลหน้าเฉลี่ยคือความสามารถของมนุษย์กยภาพของมนุษย์เนี่ยมันแสดงออกที่ทุการด้วยความสามารถในการสร้างสรค์โลกมนุษย์นี้เราได้สร้างสรรค์มามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆกรทั่งกลายเป็นโลกมนุษย์ขึ้นในโลกหนึ่งพร้อมขึ้นมาในโลกธรรมชาติโลกมนุษย์นี่บางคนนี่หลงติดจนกระทั่งว่าแค่จะไม่เคยสัมผัสกับธรรมชาติแล้วมันหนึ่งในโลกมน อ, อย่างนึ่นก็คือเขาบคุแต่ง ส, สร้นนางสรด้การดงคือแต่งสร้างสั ส, สุขแต่เราจะเห็นว่ามานุษย์จำนวนมากเนี่ยรางสรรความสุขให้ตัวเองมากกว่าคือเราจะรับอารมณ์ทือทะเลาารมคือประสบการณ์ที่เข้ามาในเรารนเนี่ยเรารับเข้ามาแล้วเราต้มาสร้าง ถารียกวแต่งเป็นผู้ทุกข์กระจายโดยแต่คนจะมีมากเนี่ยคุมแต่งทุกมากกราะจะมีมจะมีความเครียดความทุกความกังวลนะซึ่งเราจะเห็นว่าศักทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าเดรัจฉานไม่มีความสามารถไม่สามารถคุมแต่งความทุกข์ความเครียดได้ขนาดนี้เพราะขาดศักยาพนั่นเองแต่ว่ามนุษย์กลับใช้ความสามารถนี้ขัดข้านสารความทุกข์มากกว่าคือในทางโลกมนุษย์เป็นโรคจิตโรคประจาตศั่ท์ไม่ผดพทาทั้งหลายไม่เป็นโรคจิตมนุษย์เป็นเพราะใช้ความสามารถผิดารถ้าใ no per like AH ่าจบอกว่าเราทำไมไม่พัฒนาไปขั้นหนึ่งแสดง ตามความถูกในการรุ่งแรงตัวความถนิเด ใ, ใจก็มีสามารถทำใจของเราให้หลับเรื่อยบบนได้้าะธนทรพิธีพัฒนาจิตใจแบบนี้พิธีปฏิบัติในพุทานาในการที่ทำให้จิติระเพ า, านนในความหมายอย่างหนึ่งคือการพัฒนาสเคยภาพสมุ น, นการร้างสรรพสิ่งนีผ้ผมก้อบัง้นเงินเพหอ เขาบอกว่าถ้าเขาถือสีอะไรบางอย ıt, ่างเขาก็เลยกดที Nowadays, ่จะเสอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นในก็ไม่ไดความสุขแม้เขาขอเขาขอล่ะอย่างนี้เป็นต้นีกครับมี้นเข้าไปดูเห็นดั้าศัตร์บกเามอยากดูดูแลเวรกินเตั้ลงใช่มคน่ป็น้อหนึ่งครับแล้วไปทำไงเรต้องยังไครับคือถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องูหน้าความจริงนะอันนี้เป็นงหนึหนึ่งมันไม้นมัไม่พ้นจอมรับความจริงเน่่อรความจริงความจริงันไปอยู่นันเราต้องเอควม อยู่นังแข่งอย่างเช่นอย่าง่สี่แยกที่รัสมมุมหนึ่งนั้นมีผมัมผมก็เห็นว่าคนหาความสุขโดยโดยไ ป, ไปกล่าวทับถมแล้วก็มีความเสี่ยงหรือว่าตัวเองมีความเสี่ยงมีความไม่มั่นใจโ<ด>ยตัวเองก็ไปกล่าว<ด>มอีกแ<ด>ย่หนึ่งเนี่ยไปศูนย์คันธ้าทาสมัยมีโรงแรมทำสมัยนี่ยคนต้องหาความสุกดังนั้นมัอยางที่มุมอีกแย่หนึงท่าแใ่แย่หนึ่งเนี่ยนี่มีท็ปเป็นซินเตอร์ดูเหมือนกับเ้าวัวาไปทอปเป็นการไปหาความสุขเี่แต่อีกแย่หนึงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลตำรวจ เอาคลามโดก่อนแล้วก so so so so so so so so it ็สภาพของความปนิ้แบบนั้นมีเกิดแกเจ็บตายซึ่งเขาีกเ่นคือความจริงที่จปนชืแน่นอนนคนรู้จักคิดเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นในความรู้ความเข้าใจนี้เพราะอันนี้อยู่ที่การรู้จักใช้ชีวิตกัมาทำไมไทยถึงรวยหมและก็คนปัจจุบันนี้เพราะมุ่งถอยหาผลประโยชน์ระบบผลประโยชน์ทั้งครอบนำติดใจด้วยความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขความมงมันสิ่งที่ก็พยายามที่จะเป็นคนหาได้มากที่สุดต้องการโชคลับอะต่างจุดเน้นอะไรไปอ่ที่สิ่งที่จะ ที่ท่นว่าไม่คิดมากแะเว่าคิดอย่างนี้ดีนะทำให้เราแต่ไข่ครอนแล้วก็กวว่ายึดต่อลงไปอีกว่าอะไรเนี่ยมันคือจริงจริงที่จะทำให้ทศนาในการมองกว้างขวางและพขึ้นขึ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามทั้ง4ส่วนที่เราแล้เนี่ยนะคะอย่างน้อยมันก็จะดงให้เห็นถึงว่าสภาวะของโลกนั่นเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทำไมเราถึงต้องไยึดตดอย่างใดอม่างหน่งว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงจริงและเมื่อใดที่เราวาตกไปอย่างนั้นที่ กหาความอยากแสดงอาการ้เห็นนนาฏกันไม่ใช่การิไม่เป็นเียกอุปานที่มันมีมันมันมีก้อนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเจะท้ายที่ตรงนั้นราที่เรียนะาเรียนจริงๆริงเกิดทุานัุันนี้มีมากใ้นในเงนดียังเช่ประเทศเราต้องมีสติถึงครับถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องตามไเรื่อยใช่ครับาะห้าทุกข์ใทางหงนั้นนะครับกมีเรื่อการเล่นอันดื่มแล้วบอกว่าสุขที่ดื่มได้เงิต้อีคั็เย้ผม ต่อไปก็คือสุขที่ต้องดื่ถ้าไม่ดื่มไม่ก่อนสุตอนนี้ทำได้ดุ้เมืนแล้วทีนี้สุกน่มอันดื่มตอนนี้มันจะยุ่งไปใหแล้วสุกเื่มาดื่มไปไปทอะไรอันนี้มันจะมีผลมาว่าการมองทินี้จะมองด้านเดียวสุกเดียวชุบเดียวนน้อยลองมองว่าเรื่องการหาาสุนี้ผมต่ชีวิตเป็นยังไงต่อสังคมเป็นยังไงต่อตีนแร้วเป็นยังไงแล้วพอตนมน้นผมตียากลับมาต่อเองเป็นยังไงใช่ไหมพอมีผลต่อสังคมแล้วสภาพสังคมนั้น การที่จเจรจในการหาาส้มนีถ้าจะใ้ปลอดภัยเราจะต้องมองด ท, ทั่านบอว่าต้องใาด้วยครับถ้าจมเมื่อปีใหม่ที่ผา น, น, า น, นี้เนี่ยการโ า, ากันเนี่ยครับก็เชิญชวนให้คนรุ่หนหม่ยถอนในทีนดีวกันก็มีการส่งทางยอนอีกนคะครับถ้าความตัตเดิมที่ได้ยินก็คือว่าให้อยู่เเป็นตแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นมีาให้รยให้รวยให้รวยให้รวยบางคนเน้นสีะครับดาราบางคนเน้นสีาให้รวยมากเลยนะครับนแว จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องและเป็นความสุขที่สุดครับก็เป็นแบตเตอี่ที่ให้เห็นว่าเดืทุกวันนี้เรามัจะหลมติดอยูในความร้อนอย่างทีว่าเลยค่ะกันมากแล้วก็เป็นแบตเอรี่ที่อีกอย่างนึงว่านี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวและไม่น่ากลัวเพราะว่าเวานี้คนเรากาลังกอยู่ในาตของการเป็นธาุของมะถุนเดือนกุมภาพันธ์นี้คือมีคืนกินก็เลยลืมไม่งที่เป็นสุดเด่นที่พ่อแม่ผมญาติเราดเกิดโวยพรกันมาแล้วก็หัมาหาโวยพรกันด้วยการให้ดีสไดร้อนกระตุ้นสิ่ง ไล่ไปถึงนี่เลยพอันี้ว่าสูา้แต่ดเจ็บอันนี้ว่าเมื่อกี้ขึ้นตามิอันนี้ก็เป็นสภาพที่ที่การที่ต้องคมกัล อ, องเท้ากระทรวงหลวไปดูอันนี้มันเป็นระบบที่ ก, กำลกังชอบนำล่วงเป็นโลคกาที่วัาอันึ่ง กำลังอยู่ในั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ยนหยดด้านหนึ่งแลเกิดผลลัพธ์่ๆนะงมาว่าไม่ยากทียดูถ้าเรารู้ทันสภาพสังคมอจขึ้นาเพสังคมอที่ผ่านมานีเป็นสังคมที่เน้นงวัตถุมาวางความสบวัตถุขณะนี้มาถึงจุดที่ว่ามีความผิดมมากแลวคามใจเกิดขึ้นมากแล้วาทางออกเป็นต่างๆถางกรนทำว่ามาเสื่อมเรื่ังสมาชิกเรื่องอะไรต่างๆก็ได้มาราสิว่าพลงนี้มันจะยืนหยัดอีกแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตั้งมาจะไป ไปอ่นรอนนี้ก็เบอนยเต็มที่เลยก็เป็นว่กิจการเต็มที่ปรมพันาใจละทิ้งวัตถุหมดแล้วเาพีก็เป็นตัวอย่างนึงนแต่ละหมดเลยไม่เอาระเบบกฎเกณฑ์สังคมไม่เอาทั้งนั้นเลยแต่ดูเขาบอกเขาอยู่กับธรรมชาตินะคือเขาไม่มาเอาแต่เรื่องจิตใจอย่างเดียวหรือมันก็ไม่ใช่จิตใจที่ทำบางทีก็เป็นเรื่องการปล่อยตามใจสบายคือว่าจิตใจมันจะคิดตามใจตัวเองไม่พัฒนาจิตใจเพราะที่นั่นในที่สุดเขาตายไม่รอดเพราะว่าที่แท้จริงแล้วความสุขความรู้ที่จะพัฒนาที่ได้ เรียบชาวตองค์จิตตานามวาธรรมะวินัยมาร์ธามาว่าพุทธศาสนามีองค์ระกอบของอย่างคือธรรมะวินัยธรรมะนนคือคาจิงธรรมชาติเนเรื่องของชีวิตของแต่ละคนที่ต้องพันนธรรมชาติก็พึ่งต่อไปเองว่าธรรมชาติมาเทียนเป็นาปัจจัยอะไรนี่ลนาะ่แน่นอนทีอีกด้านหนึ่งก็คือวินยวินยก็คือการจับระบบระเบียบชีวิตแะสังคมนุษย์ให้มีสภาพเป็นอที่ดีเพื่อการพัฒนามนุษย์ก็จะเริ่มจากการจับคานจับีการจัระเบียบความอยู่ร่วากันของมนุษย์การจัระบบ ต่อการทบุคคลหรือชีวิตแต่ละคนนั้นจะได้เข้าถึงสิ่งที่ดีาดขึ้นไปอย่างน้อยก็คือน็นสภาพแวดล้อมที่เอือเรื่อต่อการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนนั้นเราก็อาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีเศรษฐกิจที่ดีมันก็จะเป็นรืวเบียดเดีดกันเป็นจศรษฐีคนหนึ่ได้าก็สามารถพัฒนาชีวิตเข้าถึงความสูขขงที่ดีขึ้นแต่นีาไปถือเป็นจุดหมายเราก็พัฒนาเศรษฐกิจก็ถือว่ามีถงวามพึ้อมแล้วดีแล้วแต่ต่อที่นี่ก็กลายเป็นว่มนุษย์เรื่องกานมด้ความส เน่นอนได้นการันครับการกไในสมายอย่างครับเพรานี้มีวัตถุวัชระหลายงิองนะครับก็สั่มน่อยเนพูดน่อครับตอนนี้มีข่าวข่าวกันอยู่ก็เป็นร้อยล้านกวามีอย่ายวครับอย่างนี้เนี่ยจะให้กติว่าอะไรครับก็นี่เราจมาดบอกคำกไรนมนมันได้มีความหมายจาะจงทีเดีวกำไรมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในด้านหนึ่ง่าวัตถุในการนั้นเงินทองในการมาเสร็จวัตถุที่มีความสมาสุดกำไรมีความหมายในเชิงเอาไปทำเป็นอำนาจอะไรกำไรมีวามหมายอะไหลายอย่างเรนี้ว่าอยู่ที่ว่าเราไปใช้กาไรเพื่ออะไรแล้วก็เรา ถ้ากำไรนกิดขึ้นโดยวิธีลาดของการที่ทาให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์กลายเป็นประโยชน์อย่างนี้ท่านยอมรับเพระนั้นตวตัดสินอยู่ที่อนี้คือคุณจะทำกำไรคุณต้องดูว่าการทำกำไรของผมนั้นต่อให้เกิดผลเสียเดือดร้อนต่อสังคมต่อภาคการเงินหรือยังนครับคดภบางองค์คดีบางวัตถุในศัตรูของเดือร้อนก็ไม่ได้เี่ยนครับาฉันจะทำในทางธนาคารจนบริจาคธนาคารถวายเองรองรับก็บางท่ามมตินะครับแล้วก็ปรากฏในบัญชีสามสิบล้านบางท่านยังไม่ร้อนนครับก็มีข่ากล่าอว่ามีเงินเป็นร้อยล้นหน่งร ี่ดีาเครโถ้าอย่างนั้นพระหรือวัดที่ดีินสะสมเยอะไครับถ้าไปซื้อของที่บำรุงบรในทางเนื้อหนังหรือว่าในทางในทางอาวุนานะครับ้นอยา่างนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งชินไปความถูกที่ไม่ถูกต้องติความหมายของทรันาในทางธรรมหมว่ามันกลายเป็นว่าทรันาไปเป็นความหมายของน่ยทียามันาก็ือว่าเป็นเครื่องมือที่นำมาบำรุงบรเวณความถูกแะทำควาดน้วตวเอ่ตอนนี้ก็เลยมีคนบอกว่าเงินของพระเงินของวัดเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นของ แรงในข่า ว, ว้าวและบบการอยู่ร่วมกันในสังคมซับซ้อนขึ้นความหมายคำว่าประชาชนแต่ก้างขึ้นแต่วาว่าแม้แต่ว่าสุดบัตรประหลักการดดากเดิมในสภาพเดิ่ที่ว่าบัตมีเป็นสุการกชุมชนแ่ลชุมชนมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้กันนะว่าผมก็มหกให้ประชาชนในชุมชนนั้นรู้แค่นี้ก็ยังได้ในเผมไปไม่ต้ศาสนามถ้าผมเข้าใจในจินัญญาอมาเนาเนี่ยมันมรืบส อ, อย่าง ถ, าถ้ายอมรับความจริงแต่ว่ามันมีความแตกต่างระธามีความสนถานในาเป็นตัวนสูุ่ดหมายในที่ คือถ้าเราไม่มีทธาเลยปัญญาเร่ดีออยวกันศรัทาเป็นตัวออกเป็นตัวจับเป็นตัวโยโง ม, มายาว่าามที่เราจะเกิดปัญญานีถ้าเราไม่รู้ที่ถ่านี้ต้องอาศัยการภายทอดรับความควมร้ร า, ากผู้นรัาต้อเป็นตัวเชื่อมเราเข้ากับแหล่งของความรู้นั้นและอันที้สอนอกจากโยงเขาเข้าหาแหล่งความรู้ก็คือว่าทาให้การหาความรู้นั้นมีพลังและมีจุดมีเป้าที่ชัดเจนเพราเราไม่ศรัทธาเรื่องอะไรถ้าเราไม่ใช้ศรธาผิเราจะมีปัหาความรู้ในเรื่องนั้นอย่างจิงจังเต็มที่เลยทั้งคนมีระดับความไป ไม่ถือว่าคนที่เกิดจากตัวเองนั้นจะต้องอาศัยสิ่งภายนอก หลักุษานาือว่าสิ่ง่หลายผลที่เกิดจับและโดยเฉพาะผที่ต้องการเิจกากทำตัวเองก็ทํานตัวเองกะ็ะทํต้ังผลจาสิืมาให้นีก็ทีด น, านัาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระัวังอย่างมากแต่บางทีเข<ม>าบอกว่าเอาดอกบัวไปต้จมจ<ม>ีินะครับจะรักโรคได้แล้ก็จะมีความสุขตรงนี้ก็ต้องมีคนาพูดแล้วมี่าวแลว่าวทางไปด้วยเราก็ใช้อย่างนั้นเนี่ยครับหรือว่าคิดว่าพระองค์นี้เนี่ยมีเวทมนต์หรือว่ามีอะไรพิเศษสามารถที่จะใส่เก้าหรือว ใช้เกณฑอย่างน้อยสองข้อนะหนึ่งประธานนั้นมีการใช้ปรรัญญามีความรู้เข้าใจเหตุผลในเรื่องนารรับรู้เปล่า น, ะนี่หนึงละสองก็คือว่าเป็นการที่เรา ตัวเองหรือล่รือว่าพึ่งพาใจสิภายนอกแต่ไหนีต้องพึ่งตัวเองด้วยาเขาปัญญาท่งตัวเได้ยความว่าหลวพุทธเจ้าบอกว่าทรงคนพบความจริงความจริงนี่แล้วการธรรมดาและมาเปิดเผยความจริงนั้นเมื่อคุณรู้ความจริงนั้นคุณเข้าใจหมธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุผลทั้งหมดแล้วคุณ็าาคุณดีได้มาความ่ามันต้องขึ้นต่องพุทธเจ้าหลวงพุทธเานี่สอนมาแล้ววาพร่งให้เป็นนิัทคอนรกี่อ่านไส้พระองค์เพื่ออะไรเพื่อจะได้มาช้ความจริให้องกา นั้นคุณก้องพยายามทำทีนั้นด้วยตัวเองไหม เราเ็ู่กับไช่เราแล้วก็มีสเปภาพอยู่แล้วนี่คือพระพุทธเจ้าสอนว่าเราทุกคนนี่เป็นมนุษย์ป่าที่สุดได้มีแต่ใาพในการพัฒนาจริงๆก็าพพิสู์เนี่ยของไทยหรือว่าภาพพิสูจน์ดๆมีชุดปฏิหารดีๆครับ<ช>อิทริปาติหารนี่ก็เป็นเรืปปร่องธรรมดานะคือว่ามนุษย์นี่ทาอะไรหรือเห็นอะไรมันเกิดขึ้นโดยตัวไม่เข้าใจเหตุผลวาเห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์แต่พอเรารู้เหตุผลนเรื่องนั้นแล้วเราเข้าใจก็หายอัศจรรย์ก็เป็นธรรมชาตินี่แหละธรรมชาตินั้นปรากฏจันทร์นั้นเราร ยกกังกระท iec, ่งเข้าเป็นเหตุผลของวันเมื่อเราเข้าถึงตัวเหตุตกใจเราก็สามารถท่านผ่ามตานนั้นได้ตนเองบริจาจากบราริหานมิตรสามคืหนึ่งที่ปาริหานเราอยกจัแสดงมิตได้ตองอาดิตนาปารานิฐานด้การทำนายใจคได้ทายใจคได้ทาความิได้มุนในบาริหาาริากิจะคำสอนให้เข้าถึงความจริงลาเป็นอนาิาก็พึ่งงตลอด เาก็ตื่นเป็นไปตามนั้นแล้วระหว่างค่ำนเขาจะบไปแต่ถ้าเป็นลูการทปฏิหารท่านสอนเราให้เข้าถึงความจริงานตัวเองครับน่นอถ้าอย่างนั้นเราจะเลือกศรัทธาต่อผู้ที่มีปฏิหารถ้าปฏิหารสอย่างที่ท่านท่านอาจารย์ว่าันเราก็ต้องเลือกศรัทธาต่อปฏิหารในปฏิหารทปฏิหารตามหลักคุณตัณหาปฏิหารรู้จักจับหลาปฏิหารสองอย่างแรกนั่นคือรังเกียจใช้คำนี้แต่ที่เราใช้คือมือสัตอ์คืเครื่องการใช้ฤทธิ์หนึ่งแล้วก็เรื่องการใจใจข่มหยันครับแต่ว่าถ้า บางคนฆ่าลูกฆ่าเมีะมแล้วฆ่าตัวตายไ้ไหมถ้าคุณอาจารย์ก็เคยคด้นะินเผาถิ่นับแม้กระทั่งถูกไปทำาลกาเมีแล้วฆ่ า, าตัวตายก็บอกว่าหนีทุกดแไ่มกอกนี้เนี่ยถือว่าเขามีทุกประหาสุดอว่าต้องตักก็ไม่ถูก คือ ท, ที่ว่าไม่ถูกนะครับเพราะความถูกมันไม่มั่นใจไป็ึง้เปามันเป็นความสูมอยๆความถกมอยๆนยตัวเองได้แต่จานี้ถูกดีไปและการนีู้กก็คือราิบัตบตกให้ถูกต้องอลเลปท่าถึงถูกแร้าบนติบัตตัวถูกให้ถูกต้องด้วยแล้วเราม่มันใจในตัวที่จะไปไเห็นภาพเผลได้ตัวมันการฆ่าตัวตายจะทให้ได้ถูกยังไงมัน้อยถึงทีมีบอลลอยมันลอยมันลอยไม่เห็นมันเป็นกัวความหวังความหวังที่เรื่อยๆในการเก็บมันเกยเขึ้นในความรู้สึกส่วนตัวนี้ฉันนะคะเรื่องํารฆ่าตัว แนนอนถึงบางแบบเขที่ดภาษาชนะต้องย้อนไปดนเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ขาตวายก็คงไี้ความคิดหรือด้ทิฏฐิที่คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วเป็นหมดทุกหมดปัญหาคงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะจึงมิจาริงคิดว่าไอ้สิ่งที่ควจะฆ่าคือฆ่าทิฏฐิที่ผิดเรียกได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพไม่รู้จริงแล้วจึงพาให้เกิดความคิไปว่าฆ่าตัวตายที่ฆ่าร่างกายที่ตายแล้วไปทีนั้นจะพบควมุและที่จิตร่างกายที่สองคนร่างกายแต่ก่อนต่่างกายเาจะควาใจละในี้จะเป็นสุขรไม่ข้นอย ต้องกต้องจะทำถูกต้อ ง, องและนชีวิตนี้ไปสู่ความถูจริงแลทให้คนเราเลดคลาดตัายแหันทุจรมาเพื่อพัฒนาชีวิตจากความที่เราไม่พอใจไปสู่ความที่เราพอใจยิ่งขึ้นจากความที่เราต้องเปเกิดขึ้นเพือกรายไปสู่ความนิ่งความสงบความเยอ็นต้องใจยิ่งขึ้นจากความเป็นภาคความเป็นไทยห่งนี้กังนั้นยิงขึ้นอยู่กับเรื่องของการพัฒนาทิแล้วเรื่องของการายก็จะเป็นปัญหาไม่ลงตรนีเพอามถูกต้องม่ได้ผิดถูกเพาะาปฏิบัติต่ทุกอย่าง กุกไวให้เป็นปัญหาอยู่ภายนอกไม่เข้าม า, าม้าอบจใจตัวเองมานามว่าจะใช้ทํเร า, าข้างนอกแก้ไขขาเป็นติสะวเราก็จัดการแก้ไขปัญหาภายนอกนั้นทนเร่าตามเหตุปจัจจัยไม่ใช่รนะแก้ไขาตามเหตุปจัจจัยแต่ว่าถ้าเราให้มันอบงตใจแล้วเราทุบด้วยแล้วเราจะมองปัญหาอย่างเดียวๆแล้จะแก้ปัหาีนี้ก็สองก็ผิวว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เราเอามาใช้ปยมันเป็นบททดสอบความสามารถของเราความแข็งแกร่งความแต่ัชีวิตนี้เราจะอยู่ได้ดีในโลกเราต้องมีความแข็งแกรมีความสามารถความทนกสามารถ ถ้าใ่สถานการเรื่ความทุกข์หรือใช้ปรญหาต่างๆเนี่ยมาเป็นอการในการพัฒนาฝาแฝในการแก้ปัญหาน่นอนวีก็จะดีขึ้นตามลดับได้อย่างหนึ่งกือการหาความ้กความทุกข์นความทุกข์กิดขศษาไปเลยอย่างในการปฏิบัติธรรมนี่ทให้ศึกษาความทุกข์เอามาดูเหมือนเป็นวัตุศึกษาของนักปฏิัด้ว่ามันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นยังไงบางทีมันก็เกิดความสุขศึกษาความทุกข์ไปเลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ว่าไม่หน ที่มีการจับจุดบังนี้เนี่ยก็ทำให้มีการขนสับสนวิพากษ์ทั้งคูณนะครับก็คือในเรื่องที่มีข้อจังหวะาถพระเลี่ยถุนอะไรก็แล้วนี่ครับตามหลัข้อวิหมเนี่ยแม้แต่ในถุนนั้นตลาดทิตั้งแต่วันที่เสร็จในถุนถูงนะครับเรืาองของการเป็นพระเดินแต่จะนนนั้นที่คาดสมมติว่าขาดจาการเดินพระตั้งแต่วันนั้นแต่ต่อมายังทำให้คนเข้าใจรถเป็นพระแล้วก็รับบริจาคหรือว่าการให้คนเนี่ยมีความสุขด้วยการบริจาคอันนี้กถือเป็นความสุขนะครับรรมดาก็จะ นันเขานาติระทาเาก็ได้ปนได้ความุใจเขาก็ได้ไปแต่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นผมต้องพิจารณาต่อไปคือว่าสิ่งที่มนุษย์ทนี่เราอพยายามป้องกันจัดแก้ไขผลเสียให้โดน้อยที่สุดเท่าที่จะเนไปในกรณีนี้หมายความว่าเราไม่ปฏิเสวที่ดีวที่แต่ละคน่ได้ก็มีทาเขา้ปรามีความสุขแต่ว่าผลเสียในทางหลักการผลเสียในทางของตัวธรรมะเองแลผลเสียในทางของผมดูแลพิบัติบ้านก็จำพิบัติบ้านสั่นไปแต่ล้วนแล้วก็คือว่าดังนั้นเราต้องมารวมกันธรรมะ กระตูมาให้พี่ให้เงาตรวจเอ้เห็นจะ ไ, ไม่เกี่ยวกันคือว่าถ้าวินัยต้องการความจริงเพื่อมาใช้พิจารณาณในการตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นบุคคลนั้นทำความผิงหรือไม่นี่เราต้องมีวิธีการไปหาความจริงอันนี้คุณจะใช้วิธีการอะไรก็เรื่องของคุณนะก็อยู่เท่าวิธีการนั้นจะช่วยหาความจริงได้ไหมนี่ถ้าว่าถึงตาพิสูจน์ดเเป็นรื่องวิธีการ วิญแตาย่ใช่เอกประหดอะไรตรก็อความรู้ของมนุษนย์ปนการพัฒนาครของมนุษย์ที่มีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็ทให้น่าเชื่อถือมากขึ้นนันเองนี่ก็แปลว่าวิญญานั้นเก่งในทางโรของวัตถุหาความจริงทางวัตถุได้ดีนั่นถ้าเราจะมีเครื่องมือมาช่วยหาความจริงได้ราทํวาณก็ยิ่งชอบใจแต่ลงตัวดีเลยก็เป็นวิญญาณลองดูเลยเพราะฉันพัเชื่อว่างานนี้เ น, นี่ยเป็นความจริงการหาความจริงได้ก็ติงข้องกับการทำวิญญาณเพราะการทำวิญญาณไม่ไ้ดีคว็นร บาหวานก็ไปตรวเลือดเราเป็นเบวนือว่าไอ้ ก, การุดวเบาหวานนี่ทำลายทางินัยหรือไงถ้าผมไม่ใช่นะตรวเลือดรามีเบาหวานน่ก็เรื่ว่าจรวเลือดว่าเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดมากหรือเปล่าลอะไก็เป็นเรือเ่องทางวิทยาศาสตร์รรแน่นั้นค่าก็คงรักษาโรคเบาหวานและก็เรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงโดยการไปตร จ, จเลือดตรวจอะไรไม่ได้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกันเป็นเรื่องของวิธีการของมนุษย์ที่จะหาคามรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แลวกามองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องแต่ละวลาเราเป็นดาราที่วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราก็มีคนว่าณะ ทีนี้บ้านเมืองจะคืได้หมน้ก็เป็นะเพราะว่ากกองะปัจจุบันนี้ยิงก่าบ้านเมืองด้วยอยู่ในประเทศไทยก็ต้องยิงกระตายบมาไทยแล้วในความร่รักับคณะสงฆ์นี้ก็เป็นกรนีของประเทศไทยมาพะนั้นก็อย่างพลบคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้วนี่ชัดเจนว่ารับมตว่าการกกาเปผู้รัาการให้เป็นตามอย่างนี้ก็แสดงว่าการปกอคณะสงฆ์นี้ก็ต้องทีรต่บ้านเมืองอยู่ไม่ก้านมองเอกลตัวก็บอกเเป็นของคณะงบ้านเมืองไม่กล้าเนี่ยครับจะลอ อยู่ที่ว่าต้องปรับต้องับหพอ้ามัเกิดความไม่พอดีขึ้น่าเราก็ปับใหพอดี้อแก้ไข่อนที่มัพ้ออันนี้แหละอาตมาจึงอากจะี้ว่าเราจะมัวติดอยู่นสถานการณ์เฉพาะกรณีเท่านั้น<ม>ต้องมองเฉพาะการณีนี้ให้โดนไปถึงเหตุปัจจัยองค์ประกอบ่าที่เกี่ยวข้องังดในการที่จะแก้ปัญหารยยาวนั้นต้องไปถึงเหตุปัจปจัยโลกประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนในนิดหน่อยหมายความ่าในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีความชัดหนึ่งก็เจอปัญหาเฉพาะกรณีว่าทำไงจะแก้ไขให้ยุติลงไตได้ดีโดยชอบป มาขึ้นนี้ยังไม่รับกรแไขไปข้าหน้าสถานการณ์เหุการณร้ายคนี้อย่างนี้ก็ยังเกิดขึ้นได้ดันั้นเราไปจะต้องมาโนาทอย่างนี้เรืยเมาว่าหน้าจะได้ชกันหครับนนี้ผมต้องขอจาบพระคุณท่านท่านเป็นอย่างสูงครับต้องกรพระคุณพรที่โนามาให้สติให้ความจริงของเรืคามสุขธรรมนนี้ครับครับนนาน